ดเป็นควรควายละแในบำเพ็ญเป็นนักเป็นทุกคนควปรปฏิบัตินักของนักบวชปุถุสันมาวาจาสัมมาัมมันโตสัมมาอาชีว <c oughs> คำบริกรรมมาบริกรรมให้จิตใจของตนอยู่กับคำบริกรรมให้ฝูงกลุ่มลูกจิตจิต ข, ข้องกับสัญญาลมภายนอกต่อความสงบความรวมรวมถูงความหยดเย็นของจิตนี่คือสัมมาวาจานำธรรมะมาบริกรรม เราเลี้ยงจิตใจทั้งตนจิตใจสุ่นกุ้งคิดนึกต่างๆให้สงบตกไปทำการงานคือเดินเโยนปมน่งภาวนาเราจะ่ยกจิตใจทั้งตนทีหลุ่มหลงจิตขรอบเมื่คิดไปทั้งผิด มีสติมีปัญญาดูแลรักษากายวายใจใจทั้งตัวอยู่สม่ำเสมอมทากางงานชอบคืองานละกิเลสสิ่งได้ที่ เ, เป็นกิเลดตัณหาสึ่งเรายังมีอยู่ในก า, ายในวาใจในใจหยุดละสิ่งนั้นส่วนนั้นให้ตกออกไปให้หมดออกไป มันยังอยู่เหมือนไรก่อตั้งหน้่ททำงานคือการคิดนิพที่ใจนาการทำรักษาสัง์อย่างชีวิตชอบคือฮอัดหาทำมาเลี้ยงชีวิตของตัวชีวิตของตัวมันชั่วมันเสียเห คอมหาสมาธิหาปัญญาหาวิชาวิมุตติมาเรี่ยงจิตในจิตมันจเจริญเติโตไปจากทุกจากโทษจากชั่วจากเสียจากจิตเวทตัญหาอย่างชีวิตชอบสมมาวายามโมเพียนชอบความเพียนชอบองเพียนเลยที่ที่สถานหรือเพียนในการ ละวางความชั่วความชั่วภายนอกชั่วเกิดจากกายหรื่อยๆชั่วเกิดขึ้นจากวาจาเรีย <c> ก <oughs> ว่าความชั่วภายนอกระวังเอาไว้ในความชั่วเหล่านั้ น, น, นมันมาเกี่ยวข้องกับกายวาจาใจของตัวในชั่วมันหลัวไหล มาถ่วงทับจิตใจสงวนตะธานหรือระวังตาเห็นหรูปกอย่าไปหลุมหลงหลุมนั้นน่ะกาหนัดหน่า ย, ยินดีน่ะเพลิดหน่าเพลินน่ะกอด ห, ห, หน่าจูบต่างๆจูบเป็นไปในทางการมาตัณหาหรลุมนั้นน่ะตำหนิหนินทา ละเอียดหน่าเบือ่อขอาเป็นไปทางไ น, นทางท่ยะบา้จิตเห็นว่ารูปถ้าแกว่ารูปที่ใจนา่ะตามความเป็นจริงของมันจะเป็นรูปตอนนี้รูปเล็วตามขนาดไหนมันก็เป็นไปเถิดตามต่างขึ้นแต่ป้วนและแต่สลายเหมือนกันหมดรู่เขา จะเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรแตกต่างกันการระวังฟังวนใจตาเห็นหูได้ยินมีเศีปัญญาใจน่าเ่อละ่อนทำจิตใจขอจิตของใจิใจเ่เสียหดออกออก ใจมันจะเบาใจมันจะสบายใจมันจะไม่เหนือไม่เบื่ใจมันจะสว่างสบายใจมันจะสงบเยือกเย็นห่างลาปะทานระวังความชั่วทางกายทางวายชาทางใจระวังความชั่วต่างไมันลวไหลเข้ามาอาหารปะทานสําระจิตใจ ภายในผีเคย้ลุูงตรงคิดนกจิดขอ้อคว า, โ า, โาโมโรคความโกรกความหลงต่างๆหมดไปตกไปออกหลุดออกจากใจฐานประหารประทานภาวานาประทานสะผมจิตใจให้มันมีสติให้มันมีปัญญา ประกอบความรู стати, ้ความชลาความสงบความเย็นของจิตของใจเห้มันมีกําลังมากขึ้นภาวนาปัจจานิยงใดที่เราเคยดเคยเห็นเคยเย็นเคยสงบรักษาเอาไว้เรียกอนุลักษณะปัจจานิยมสัญญาวาจาโมคือคามเชียนชอบกุศลเชียนทำ เียนนึกเปียนคิดเพียนแ่เพียงไข่กายว่าใจใจของตัวอยู่อย่างนี้คือคือว่าเดินมักปฏิบัติตามมักมักกก็คือหนทางที่จะเดินไปสู่สันติคือความสงบสุข สัมมาสติให้มันที่นี่พี่จเจ้านะสติปัฏฐานทั้งสี่คือตายเรยนทานาจิตธรรมมันมีอยู่ในตัวของทุกท่านทุกคนพี่เจ้านารู้ให้เห็นเด่นชัดอย่างนั้นลงและสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นด้วยอะไรมันต่างอยู่ด้วยอะไรนั้น เป็นอะไรต่อไปจะสราบว่ารูปว่านน้ำถึงมันมีอยู่ทั่วโลกมันอยู่ั้างนอกก็อยู่ในตัว ม, มันรู้ทั่วขอาใจถึงตามเป็นจริงของมันตั้งสติเอาไว้นี้พิจาราอยู่นี้ จริงส <coinc> ิ่งเหล่านี้มันก็มีมาแต่ไหนแต่ไรเข้าใจจ๊าตสอนกต่สอนสองมีอยู่ให้รู้ตามเป็นจริงอย่างไร้เชั่วสังสติให้รู้ให้นใจในตัวของตัวหน่รู้อย่างของตัวตัวถึง เรื่องขงโลกเราตรงบอกมันเหมือนกันหมดอดีตอนาคตปัจจุบันมันจิ๋งหงมันที่นี่ที่เจ้านะกหนดทราบตามความเป็นจริงของมันการตายคือก่อนหยาบหยาบที่เราหาใจเราเห็นตายของเรามันมีอะไรบ้างมันปะกอบขึ้น จากถาดอะไรซึ่งเป็นถาดใหญ่ๆแล้วถาดเหล่านั้นเมื่อมันหมดลมหายใจล่ะมันจะแปกไปอยูถ่ถาดเดิมของมันยินเทศอย่างไรจะทราบที่เจนาะตามธรรมะผีพระพุทธเจ้าสอนทราบเรื่องของมันเรื่องหน้าอาวัยวะเหมือเกิดริบปรดิร์เปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วก็ ในหลงไหลในเ ก, กิทุกข์เพราะาอย่างหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความจริงมันเป็นอย่อยางนั้นือนะานการพ เ, นะเรือาา่องขอ ง, ขอ ง, ขงกงายพ เ, เรื่องเวทนาสทุกทุกคนก็เคยจะสบพบมาจะไปยึดมั่นสำคัญหมอาจงเอาจังไม่ได้ื่อของเวทานา มันจะมีการเกิดขึ้นมีการแปรปวนและแตกสลายเหมือนกันคนทุกคนเกิดมาเคยสุขเคยทุกเคยเฉยเมาทั้งนั้นเราไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ผู้ที่ให้เกิดมาก่อนก็เห็นจะเป็นเหมือนเราคนที่จะเกิดอีกต่อไปในข้างหน้าก็่ถ้ามั่งเลียงกันอย่าเราน้องใหลใจฉันยึดถือมันแเกิดทุกข์นั่นคือเหตุ ตามเตมที่ของมันนี่คณะนี้ประศักด์แก้วเวทนะไม่ใช่ตัดบุคคลตวตนเราเขาเป็นอนัตตาบางครบบชาม่้หญิงผู้ชายแบบว่านักบวชเขาาว่าไอ้ี่เอานายเขียนใจเขียนต่ดูันตั้งยา ชาตันแห่งนันแหละแห่นันเฮ้วหมดความสงสัยในจิตในใจของตัวอย่างนั้นไม่ก่อก่อควันทำจิตทันใจให้ลุมล้งยึดถือในรูปในนามต่างๆเรื่องของจิตคามชิดความพืก็เหมือนกันแต่มัน เป็นต้นเป็นตัวที่รูด่างเหมือนแต่วัตถุอันอื่นแล้วมันจะไปโดนอนนั้นมันจะปโดอันนี้อยู่เรื่อยๆนกันตานะบหมดนับนั่นไหได้แต่ละวแต่ละคืนเพาจิตมันคิดมันฟุ้งมันสองมันเขี่ยอย่างนั้นแต่ว่าจิตกางคิดามพู เราต้องากเรื่องของมันจิตตั้งขันัจะมีอย่างนั้นมันคิดมันฟุ้งมันดิ่มลมอยู่ตลอดเวลาภาษาตัวเดืองเหล่านี้มันเป็นเรื่องของจิตตั้งขานมันไม่เลยเป็นนั้นอื่นไป แต่ความความหนะักคามยินดีความหลงไหลในสิ่งเหล่านี้อ้าหาเราหมดฤทธปฏิบัติเราทีา่มิตรเจรนาโฉดิ์นั่นจะสร้างว่าอันนี้เป็นเชียงอาการเป็นเชียงขันเป็นเชียงจิตเยตาสิกไม่ใช่ ผูกหุูกพันผูกสิ่งผูกศึกผูกเป็นเรื่อผู้ที่รู้เหลือสิ่งเหล่านี้คืออะไรนั้นผู้ปฏิบัติเมื่อใส่ถึงไม่้ใส่จะสาดเดยกันทำคู้มีสามอันเหนือยกันจนเราทำอดจนเราทำอาศัยยาก็ะตากทำ ทรือทำจนบางตางมันมีอยู่ในจิตเนี่เรื่อของคนทุกคนใส่ใส่ชื่อพิจารณาเิตจังสติชื่อพิจารณาถูกเวทนาจิตธรรมนี้ถัดนาสามมาสติเจตจังสนาถูกพิจรารนาเป็นธรรม อย่างที่แกนะเป็นโรคอยางที่แกนาผิดนานาอยู่เรื่อยขัดไล่ความสงสัยกขัด่ทตามความใจไปเย็ดไปขี a ไ t แดดไปหามมันละมัน่ยไปสัมมาสมาเกีวกัต่างหนึ่งของใจรวมๆของใจ อยากเห็น้งใจเราจะทราเราเห็นเราเ็ในตัวของเรานคือมกจพุทธเจ้าแสงดูหน่อยๆอน้นย่ถามว่าี่แยมาภายในมันจะหยุดภายในในกายในใจัองทุกคนที่จะะทึกสะทีดัคที่จะเห็นจะเต็ม องวุตจเจ้ามันมีอยู่ทั้งนักบวชมีอยู่ทั้งฆลาวาสมีทั้งเด็กทั้งผูใหญ่มีทั้งหิงทั้งชายมันมีนั้นกันหมดผนสลาดแล้วก็จะมีความสุขความสบายทง่วนก็หาความสุขความสบายได้เห่ยงปแกงุนตรงติข้อยึดถือ เกิดทุกข์เกิดโทษชีวิตพิจารนาเหมือนก้อนล้าสาสางทางนักที่พระเจ่าสอนสรอเราเดินตามทางนักอยู่บ่อยๆจิตนั้นก็คอยใจออกจากที่เหลือกันหาออกจากคัามยึดถือต่อยใจวางไป แขงใจกำจัดขับไล่กำรุนยงด้วยใจความคิดฝีกมุดสึงเคห็นเคเป็นมาก่อนเมื่อก็จะท้าจะถายใจมันจะเกิดขึ้นความเมื่อยมันหมดไปคามสว่างเมื่อก็นเกิดขึ้นความยือกถือมนหมดไปความป่อยวางมันก็เกิดขึ้น มีกิเลสหมดใจความหมดกิเลสมันก็เกิดขึ้นควาสงสัยหมดใจความหายสงสัยเกิดขึ้นมันอยู่เดียกันพอเละมันเห็นมันเปนสีฟูแต่เพบเดินนักภายในต็ ใจท่องตัวเองธรรมะเหมืนมีอะไรใหม่อะไรเก่านั่นยงคงเสงวาทุกรกำหนดเรื่ออเมื่อเรากหนดเมื่อใด้รื่องตถูกกาเมื่อนั้นอย่าไปใส่ใจว่ามันหมดการหมดสมัยนันเป็นความเก่าเราไม่ต้องการ ของใหม่ท้องดีค <c oughs> ุ yeah, again, nah ้นช้าของหยุท้องดีอยู่ตลอดเวลาเหมือนอาหารเราเคยทานมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กแก่ทั้งรลายเราเราก็ยังทานอยู่เนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่อาหารเจ็มๆติจต่อทานเสื่อหลังกายจะดีมีกําลังเหลือแรงทางารทางานต่อไปอันนี้เคยทานแล้วจะไม่ทานอีกอ่ะ มันไม่เห็นว่าอย่างงี้ฝนทีพระพุทธเจ้าสอนไล้กอธรรมเนียญเยวกันจะได้หมั่นที่พระจน่หมันม่นศึนกษ า, าหมั่นสละจิตใจเหมือนทังสับทน่หันคนนั้นก็มีทกางกนเยอ้วที่จะประกอบการงานได้ทัที่พรพุธทธเจน่ะ <c ười> ในสัตยธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไก็ทําเนียเยอกัน มาวางจิตใจแต่บา่สบายมาวางจิตใจแตแจ่มใสงกวเวเกิดมุตติสัมยใจจิเลตันหาใจจทอตัวนำาของุตตเจ้ามาสำนักทักอกจิตใจ ผมซักฟอกโอซูบูโอสิ่งไท้าี่บอกว่าซักฟอกให้จิตใจมันขาวมันสะอาดมันหมดจดมันซักฟอกไม่ด้แตซักฟอกได้แล้วก็สะอาดมาดูมาชม้วยกันทั้งนั้นนี่มันซักฟอกไได้ต้องซักฟอกไทยมาเหมาจากสติอหะจากปัญญาเหมาะจากธรรมะที่มันเข้าจาจสอนทั้นั้น นะคับสอที่คนละเหยละไปี่คนละของของตกตกิเป็นที่เป็นใครของเหมือนุแลตสำลัมันออกไปดที่นเตมันเต็มนขึ้นันเห็นนเในจิตในใจของตัวิใจ เดนเต็มในทาานี้ถ้าว่าท่านแล้วจิตใจก็สว่างสบายจิตใจก็หมดสดดติจิตตพิยยทัตตาในเอตังุทธานาสาสันจิตขันใจทั้งตัวยิ่งแต่เสดแต่ไม่ เจนธาตอาวิชาปันหหออุปาทานมันเนือมันเสือการสมุทต์เราทนดาถุกของการคำสอนของพุทธเจ้าเราจเห็นเกิดเจนนิตในใจของตัวเองตามแม่ที่พุทธเจ้าสอนมีการละเชื่อมเข็มดี ทกจเเยอะไอ้เนี้ยสัตั้งสีชัวคนก็ใช้ไม่ได้แ้อนให้วี่ไม่จาราใหรอจะตใหลจะที่ไมจารณาใช่หลัอจะและจะบ่เพนาจะตัวของตัวเองนี้ยคนอื่นจะทำให้เกิดมอยอายุเก่งไม่ไหลายหลวงเยอกว่มหายตายไปอย่น ทำคนงานำดีเอาไว้หนึ่งแล้วนนใจายใจไหนหดเลยแกไขพบแรบใช่แล้วงแล้ให้มันหมดไปงั้ก็จนก่ก่ทราบหนอยู่เรื่อยไปใจนายถือถามของมันนลาบถอนโคลนของมันขี้นมันจะไม่เกิอี คมเมตตาควรปฏิบัติเท่านั้นจะเห็นจะากพอใจควรปฏิบัติตัเห็นเลยเพิ่มอยู่แ่แนนำธรรมะการปฏิบัติแต่เนืออย่แปฏิบัติใจราชาทังตัวใจทังตัว ิบัที่อื่นไปศึกษาที่อื่นที่เหลือจะไมหาโอกาสหาเวลาแล้วนั้น้าวนาอยู่มันจะเกิดไดแเ้วไปสถานที่ใดมันก็เกิดได้ใจสั่งละใจเถอะเอาสติเอาปัญญาตรวจตาที่จะมาสัละมันอยู่หน่วยปจต้หนังเวลาวันนั้นวนนี้ เป็นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะในการรักสาแสงในการแก้ไขทำตัวได้บัเพ็ญปฏิบัติดูแลรักษาตายใจใจทั้งตัวอยู่อย่างนั้นนับวันประโยน์นับวันเบานบวันสบายนับวันที่จะทาลายภพชาติขาดใจจากโลก ค น, น, น, นใด้ระหาทนอนใจคอยวันหนาเลื่อนหน้าที่หน้าอยู่ด้วยไปฉาาหน้าอยู่ด้วยไปเสมืนกับงนี้วัเนเวลาจะเห็นความผุนทุกข้องใจขอทุกคนตปองนำไปพิจนนารณาศึกษาแก้ไขสิ่งผิชั่วฉนเป็นสี่งดดีความผิดของตัวให้ ของไซสหมดจบจากที่เหลทุกคนสนใจทำตามคำสอนทระุทเจาใจตรงนี้ขอนเอาไว้เกิดมีความสุขการเจริญการอธิบายธรรมะเห็นอยากฟังทุกคนจะได้รเขาดุจทีขาดุ